I don't know. كتاب الله.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 ا ل ل ه h u m m a bika asbahna و bika a m s a و b ك ن a n a و bika namutu wa y l a i k أعوذ بكلمات الله ت م ا ت من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم رضيت بالله رب و بالإسلام دينا و بمحمد الرسول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 ส alamualaikum warahmatullahi wabarakatuh พี่น้องที่ร่วมนมาศุบย์ที่มัสยิดของอัลลอฮ์ที่รักทั้งหลายครับและพี่น้องที่ติดตามตับเสียอัลกุรอานที่อยู่ที่บ้านนะครับเราต้องนึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆพี่น้องการนึกถึงอัลลอฮ์วิเก็ตถึงอัลลอฮ์อ่านอัลกุรอานนึกถึงวันเตียมะเนี่ย มากกว่าคิดถึงปัจจัยดุยาทำให้เราเนี่ยหายจากการเป็นโรคซึมเศร้าเพราะคัมภีก์ุรอานอธิบายบอกว่าในอายะอื่นๆที่เราผ่านๆมา ก, ก็คืออลาบิซิครินลฮิตตมาอินนุลกููจงรู้ไปเถิดว่าด้วยการรำเลือกถึงอัลลอ์เท่า น, นั้นแหละจะทำให้หวัวใจของคน ที่นึกถึงอัลลอ์นั้นมีหัวใจสงบเกิดขึ้นท่านลีเนี่ยเป็นญาตินบีแล้วก็เป็นลูกเขยนบีมีหลานชื่อท่านฮัสซันกับฮุเซนท่านอาสนาลีเนี่ยเรียกลูกมามาสอนบอกลูกเอ้ยอ่านกุณอ่านเยอะๆกุณอ่านนี่นะ พออ่านกุณอ่านปั๊บนี่อัลลอฮ์จะให้หัวใจมีชีวิตชีวาอัลลอฮ์ดีมากเลยครับถ้าไม่หัวใจเราเนี่ยมีชีวิตชีวาคู่กับชีวิตชีวาก็คือตายด้าใช่ไหมลนะ่ะหัวใจที่ตายด้นเนี่ยไม่ดีหรอกมองอะไรไม่ออกเดินผ่านกุโบก็เห็นเฉพาะไม้กับกับดินนูนๆสองอย่างเองอะ่ะถ้าหัวใจที่มีชีวิตชีวาเดินผ่านกุโบเนี่ยนึกถึงมาลายกิกา นึกถึงมาลัยกามาสอบกี่เรื่องสามเรื่องอ๋อนึกถึงแมลงป่องนึกถึงงูนึกอะไรเยอะท่านตาหัวใจตาด้านเนี่ยมันนึกอะไรไม่ออกแค่เดินผ่านกูโบเนี่ยเห็นม้สองอันกับดินนูนๆ อ, อ๋แค่นี้แหละนึกอะไรไม่ออกฉนั้นใสานาฬีกาบอกอบลูกชายบอกลูอ้อ่านคุณาน ฟังอัลกุรอานนะครับจะทำให้ชีวิตมีชีวิตชีวาอันที่สองทำให้หัวใจมีรัศมีอันที่สามทำให้หัวใจเนี่ยเข้มแข็งคืออ ي ม ا ن นี่เข้มแข็ง ข, ข, ขอพระอู้นําสุบฮานดารานะครับที่เราเนี่ยได้มาทบทวนอัลกุรอานอัลฮัมดุลิลลาพี่น้องก็ได้ความรู้นะลืมไปบ้างอะไรบ้างนันเะนี่ยคือนิสัยของมนุษย์เดิมๆเมป็นอย่างนี้แหละนะ แต่คนอานก็สั่งนะสะนุกหรือโอเฟังไตั้งแ่อ่านเลยไมจะไม่ลืมน บ, บีอัลลอฮ์ให้นบีอานะนบีอ่านนะคนะั้งที่อ่านไม่ออกหรอกแต่ว่าความจํามีจะไม่ล่ะเพื่อไม่ให้ลืมอืมวันนี้เราก็ต้องอ่านหนังสืออ่านคุณอ่านนี่ละดีที่สุดเป็นอ้อวันนี้เรามาถึงอายะนี่กล้าจะโจบเรื่องสุรอัรูมเนี่ วันนี้เอาสามอายะแล้วก็อาทิตย์หน้าก็คงจะจบนะครับอิชาลท่าอยู่ถึงวันนั้นนะ น, นะอายะที่ห้าสิบสี่เนี่ยวันนี้พูดเรื่องอะไรรู้เปล่าพูดเรื่องชีวิตมนุษย์ชีวิตของเราเนี่ยมีสี่ขั้นตอนนะหนึ่งอ่อนแอกำลังอ่อนแออันที่สองต่อมาก็แข็งแรง พต่อมาก็อ่อนแอแล้วต่อมาก็ผงออกนกุรอ่านอธิบายให้บอกให้นบีอวบามัดฟังแล้วก็บอกพวกเราที่อ่านกุรอ่านด้วยชีวิตเราเป็นแบบนี้แหละแล้วก็นี่เป็นกฎธรรมชาติที่อัลลอ์วางไว้เนี่ยแล้วตัดดีลไม่เปลี่ยนอัลลอฮฺหุลลัดี خَلَقَكُمْ مِنْ ض ُ สุ่มมาเจ้าล่บด ضعف ใน قوة สุ ج มมาเจ ع าล م ิบ้างว قوة ضعف และวชั ي บะยาข ي ุกมาย و ชัดว ي หุ่นอัลลอฮ์มุลกดี الله الذي خلكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا من بعد قوة ضعفا وشيبة ي خ ل ق ُ م ا يا ش วะฮุวะลัลเมุลกัลีร์ Allah อะบัตัลลัมดุลิลลาฮ์อฮัมดุลิลลา์อาีต้องการจะอธิบายนะมนุษย์เนี่ยออกจะทอนมานดามมาแล้วนะเป็นยังไงอ่าอะลลอฮุลลาะดีขอล้ก็กุมอะลลอฮแปลว่าอะลลอฮ์ะขอแล้วก็แปลว่าสร้าง กุ้มแปลว่าท่านทั้งหลายอัลลอฮ์ผู้ทรงอัลลอฮ์คือผู้ทรงสร้างสูเจ้าคูอสร้างมนุษย์นี่แหละนี่ผู้มนุษย์อย่างเดียวนะเอาไปกิยัสเอาไปเปรียบเทียบกับสัตว์ก็ได้แพะแกะอัวควาที่เราเลี้ยงอยู่เนี่ยเทียบกันได้มองมองดอ๋เทียบได้เทียบได้เทียบได้อัลลอฮฺลลอฮ์ที่กร้า อัลลอ์คือผู้ทรงสร้างสูเจ้าในสภาพที่มินด้วฟินอ่อนแอด้วฟุนปวาด้อยฟุนนะฮะดีดด้อยฟนะีละใช้สับๆเดียวกันฮะดีษเก้ ke. ฮะดีษที่อ่อนัเป็นหลักฐานไม่ได้อัลลอ์ Allah คือผู้ทรงสร้างสูเจ้าทาลายในสภาพอ่อนแอด้วฟินแปลว่าอ่อนแอ แล้วต่อมาครับซุมมาจาลาเมมบาดีดัวฟิงกูวาซุมมาแปลว่าแล้วหรือหลังจากนั้นหลังจากอ่อนแอคลอดออกมาจากท้องมันดาอ่อนแอใช่ไหมเดินไม่ไหวอะไรไม่ไหวแม่ต้องช่วยพ่อต้องช่วยหมดเลยต่อมาครับซุมมาจาลาหลังจากนั้นอัลลอฮ์ทำให้จาลาแปบลบว่าทำเมมบาดีหลังจาก ดวัวฟินอ่อนแอกูวแข็งแรงหลังจากทำให้อ่อนแอก็ทำให้แข็งแรงทำไมอธิบายชัดอย่างนี้ล่ะเพราะคู้อานต้องการจะสอนง่ายๆนี่แหละไม่ต้องไปใช้ปัญญาอะไรเยอะให้คิดตามผุรอ่านหลังจากอัลลอฮ์สร้างอ่อนแอแล้วต่อมาก็แข็งแรงใช้เวลากี่ปีอะ เอาตอมายกซุมมาจะแลมิมบาดกูวติดดวฟาหลังจากทำให้แข็งแรงแล้วทำอะไรต่อดวฟาอ่อนแอนี่กฎธรรมชาติที่อลัลลอ์วางไว้ไม่ใช่เกิดขึ้นเองไม่ใช่เกิดขึ้นไม่ใช่เกิดขึ้นเองเอลัลลอฮ์กำหนดมาตั้งแต่ ก่อนที่จะสร้างมนุษย์แล้วนะมนุษย์เป็นอย่างนี้นะอยู่ในท้องมารดา ก, กี่เดือนคลอดออกมาสภาพไหนอ่อนแอต่อมาจากความอ่อนแอมาแข็งแรงพอแข็งแรงแล้วก็อ่อนแอก็รู้กมีสี่ขั้นตอนอต่อมาอีกวาา่าใช่บ้าใชบ้านนี้แปลว่าผมงอกใชบ้านแปลว่าผมงอก ยักลุดอมาอยากหลุดออกมา a า l a h สร้างมายากาสิ่งที่ a l ล a h ประสงค์จะสร้างรูปร่างแบบไหนก็ได้วะฮุวลัลละลมุลกอีดและ a l ล a h เป็นผู้ทรงอาลีมแปลว่ารู้รู้อะไรรึเปล่ารู้ เรื่องปอดีรุนแปลว่ามีความสามารถมีความสามารถที่อัลลอฮ์จะสร้างมนุษย์มาเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อัลลอฮ์ประสงค์อะไรอัลลอฮ์รู้หมดรู้มาก่อนล่วงหน้าที่อัลลอฮ์จะสร้างมนุษย์รู้มนุษย์รู้นิสัยมนุษย์รู้ว่ามนุษย์จะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้รู้ล่วงหน้ามาก่อนนี่เล่าให้มนุษย์ฟัง อัลลอ์วางแผนไว้ก่อนนะอาลีมุลเด ว, วาทรงทรงรู้ในการวางแผนของอัลลอฮ์จะให้มนุษย์อยู่บนโลกนี้กีว่วนัวนกี่วันมีอาชีพทำอะไรในทัฟซีตอธิบายนะทัฟซีตหลายหลเล่มนะนะครับหลายๆเล่มบนละอ่านไปจะพบก่อนที่มนุษย์จะสร้างจะสร้างมนุษย์มาเนี่ยอัลลอฮ์สร้างนบีอาดามก่อนนะเสีขั้นตอนเหมือนกันนะไอ้นี่ก็เีขั้นตอนนะ สร้างนาบีอาดามมามพ่อแม่มีไหมไม่มีขั้นตอนที่สองสร้างโตฮ า, าวาวผ่านใครผ่านพ่อไม่ผ่านแม่ประการที่สามสร้างนาบี อ, อิสราผ่านแม่ไม่ผ่านพ่อแล้วก็สร้างมนุษย์วันนี้ทั่วโลกเลยนะผ่านพ่อและผ่านแม่แต่งได้ไม่แต่งไงอีกเรื่องหนึ่งนะแต่พ่อแม่มีนี่ขั้นตอนที่หนึ่ง ขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สองอรรถอธิบายอีกผ่านท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลามูซัลลัมอยู่ในคันมานดาอัง น, นี้ก่อนจากน้ำอสูจิอ่าจากน้ำอสูจินี่ขัตอนที่สองนะจากน้ำอสูจิจากน้ำอสูจิจาาจมาเป็นอะไรกนเลือดหมอเองก็ไม่รู้ แต่คุณอานอธิบายไว้แล้วหนึ่งันี่อปีนะจา ก, กน้ำอสูจีเป็นก้อนเลือดจากก้อนเลือดเป็นก้อนเนื้อจากก้อนเนื้อมีกระดูกแล้วก็มีเนื้อหุ้มกระดูกพอครบร้อยี่สวันอัลลอฮ์ให้มาลาอิกามาเป่าวิญญาณพอเป่าวิญญาณเส่็จแล้วกำหนดให้สรายการเหมือนกันข้อที่หนึ่งริสกีได้รับขนาดไหน อันที่สองอายันพอริสกีหมดความตายมาอัลลอฮ์กาหนดอันที่สามอาชีพของเขามีอะไรอันที่สี่จะเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วนี่สี่อะไรกรันสามข้ อ, อข้อแรกจะเลือกได้ไหมล่ะเลือกไม่ได้เลยเลือกได้ข้อเดียวข้อสุดทา้ายนี่จะเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วเดี๋ยวนี้เรารู้แล้วว่าถ้าจะเลือกเป็นคนดีต้องเรียนอะไรเรียนกุรอานเรียนศาสนา ถ้ามาต้องการจะเป็นคนดีก็ามาตรงเรียนจะมาอยู่เฉยๆอยู่บนดุนยาหาความสุขไปหาความสุขบนดุนยาเนี่ยอร่อยนะถ้าไม่นึกถึงอาคีรอดเนี่ยเพลินน่าดูเลยนะครับเอาต่อมาขั้นตอนที่สมก็คืออยู่ในคันมารดาคลอดออกมาจากคันมารดาจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะนี่ขั้นตอนที่หนึ่งจากบรรลุนิติภาวะ จนกระทั่งแต่งงานอโลกบัดข้อที่หนึ่งอยู่ในคามนมารดาจนกว่าจะเกิดอ่าข้อที่สองตั้งแต่เกิดจนกว่าบรรลุนิติภาวะนี่เป็นขั้อธิบายอุลมะหมดเลยนะอันที่สามตั้งแต่บรรลุนิติภาวะจนกว่าจะแต่งงานอันที่สี่ตั้งแต่แต่งงานจนกว่าจะตายทำเหมือน อัลลอฮฺกับบัดยิ่งใหญ่จริงๆเลยครับนี่พี่กูรอรานฉะนั้นอัลลอฮฺนี่ยพูดในกุร์านอาญาณี้ต้องการที่จะเตือนพวกเรานะอัลลอฮุลลดีขอลากคุมมินด้วฟินอัลลอฮฺเป็นผู้สร้างสูเจ้าทั้งหลายมาในสภาพที่อ่อนแอซุมมยาและมิบ้าดีด้วฟิงกูว์หลังจากสร้างให้อ่อนแอแล้ว Allah สร้างให้แข็งแรงซุมมาจะอาลมิบาดีกูวตินดุอะฟาหลังจากให้แข็งแรงแล้วก็ให้กลับมาอ่อนแอแล้วก็วาชัยบะอะไรผมงออุลามะอธิบายอย่างนี้ท่านกตาดาอธิบายบอกว่ า, วาด้วะฟุนที่นี่หมายถึงเป็นน้ำอสุจิ บางคนอนธะิบายเลยว่าดั่วฟินมาตอนตอนเด็กๆนะตอนเล็กๆนะ่ะอายุได้วันสองวันสาวันสวันอ่อนแอทำอะไรไม่ได้เลยมพ่อแม่มช่วยหมดเลยทีนี้ไอ้คำว่ากูัวมาถึงชาบ ا าบมาถึงเป็นเป็นคนหนุ่มอายุเท่าไหร่ตั้งแต่17เจ็ดนะคือชีวิตของคนเ น, นี่ยมันแบ่งอย่างนี้แบ่งคั่นๆละเจ็ดปีเจ็ดปีเจดปี เจ็ดี่เท่าไรเจ็ดเจ็ดห้าสี่สิบอ่าแปดปีสิแปดห้าสี่สิบมีอายุห้าห้าอย่างพออายุแปดปีที่หนึ่งเนี่ยเป็นเป็นเด็กแปดปีที่สองก็อาธิบายอย่างนี้อะไรอน่ะนึกไม่ออกอล อ, น, อ, อนึกไม่ออกนะึกไม่ออกนยเป็นเด็กเป็นหนุม่ม แต่งตัวแล้วก็แข่งกันแข่งกันหาริสกีแข่งกันสร้างนู้นสร้างนี้แข่งกันแล้วก็ตายหลังจากอายุสี่สิบเนี่ยหมายถึงว่าแข็งแรงสุดๆแล้วพลังหลังจากสี่สิบเนี่ยก็รอตายแล้วกันฉะนั้นเนี่เป็นคุอณอ่านที่อธิบายชีวิตของมนุษย์ทั้งหมดเลยอาทีนี้ ว่าใช่บ้า่แปลว่าถ้ผมงอกผมงอกเนี่ยนบีสั่งไม่ให้ทำอะไรถอดได้ไหมไม่ให้ไปย้อมแบบคนกาเฟนะคนกาเฟเนี่ยย้อมกันโอ้ยต้มดำรูปลอเลยนะอายุเท่าไรเจ็ดสิดำเมี่ยมเลยอิสลามบอกว่านาบีบอกว่าเวลาผมงอกขึ้นมาเนี่ยอย่าไปนะั้นอย่าไปถอด ถ้าหากจะยอมเม่ไม่จะยอมสีดำยอมสีอะไรสีหญ้าฟรันอนะสีนั่นแหละนะครับทีนี้ในทับซื่ออธิบายอีกแล้วก็กบอกว่าคำว่าชัยบ้านเนี่ยท่านกอตาด้าอธิบายบอกว่ามีผมสีขาวบนศีรษะเพื่อเตือนให้รู้ว่าเองกล้าจะตายแล้วนะ <c oughs> ฉะนั้นอย่าไปถอนเวลาไปยืนอยู่หน้ากระจก โอ้เห็นอะไรนะเห็นผมสีขาวโอ้โหนี่ขาวทั้งหัวเลยเนี่ยเตือนให้รู้ว่าเองกล้าจะตายแล้วนะให้สำนึกตัวตอบาตัวต่ออัลลอ์สารภาพผิดต่ออัลลอฮ์สุพรรละนี่ยคุรานโกมคกนกับชุมิตรเราละหมดุลิลละละหมดุลิลละพี่น้องทีนี้บุญลมาของอธิบายต่อ ว, ว่าถ้าให้แข็งแรงตลอดไม่ให้อ่อนแอเนี่ยนะจะเป็นยังไงนิสัยของมนุษย์นะ อาลองเล่าให้ฟังเองเวลาให้ความแข็งแรงของเขามีความแข็งแรงเยอะๆมีเงินเยอะๆเนี่ยพูดกำลังวังชายอย่างเดียวนะแค่กำลังวังชายเยอะๆนี่นะแข็งแรงนี่นะเป็นไงจะไหมจะมีนิสัยสามสามรายการเนี่ยออกมาหนึ่งละเมิดขอบเขตอันที่สองข่มเหงคนอื่นอันที่สามโอหังอวดดี ยิงพยองมีทิฐิจองหองเล่นยิสัยมนุษย์เวลาให้แข็งแรงสม่ำเสมอถ้าไม่อ่อนแอเลยถ้าไม่แก่ผมผมไม่งอกนะไอสิ่งเลวๆหกเจ็ดข้อนี่จะตามมาโอหังอวดดีเยอะๆยิ ง, ยงจองหองทิฐิวางตัวโอสารพัด ต, ตามมาเต็มเลยเห็นไหมนี่อล e r ์เตือนทีนี้ไอโอหังยยิ ง, ยงจองหองเนี่ยเป็นสิฝัของใคร กองใซตตอนเห็นไหมอัลลอฮวันละซตตอนเนี่ยทำทำหน้าที่อะไรบ้างขอเล่าหนึหน่งนึงนะไซตตอนทำให้นบีอาดัมกับโตคาวอไปไงออกจากสวนสวรรค์ไปกินผ ล, ลไม้เห็นไหมอิทธิพลมันแค่ไหนนะฉะนั้นพี่น้องครับเรื่องซตตอนเนี่ยเราต้องนึกตลอดเวลาใซตตอนเนี่ยมีนะแล้วก็มาลาอิกาก็มีด้วยแล้วก็ยินก็มีด้วยที่ผีเข้าที่ผ้าะยินทั้งหมด เอาต่อมาครับใสยตอนทาทำทำทำทำอะไรบ้างทำให้คนหลงสามใส่ตอนทาอะไรบ้างคูคนเองอย่าบริจาคนะถ้าบริจาก้วเองจะจนนี่คูนะท่้นในพวกเราที่ ท, ท, ที่ที่ชอบบริจาคมีไม่มีที่ก็ไม่ยอมกลัวแล้วอา่างแท้ๆเขากระจายอิสลามดีแต่ถ้าหากว่ามีตังค์อยู่บ้างจะไม่กล้าบริจาคให้ใครสักคนเนี่ยนะใครคูแล้วไหมนะ ใช้ตอนมาครูอยู่แล้วอย่าบริจาคอย่าบริจาคให้มันลำบากไปเถอะนั้นและใช้ตอนทั้งหมดเลยอัลลอฮฺอับดุแล้วต่อมาครับแล้วใช้ตอนเนี่ยมันจะยุคให้คนคิดแเรื่องชั่วชั่วชั่วชั่วหมดเลยนกกูอ่านทั้งหมดเลยนะอลัลลอฮฺก็อธิบายต่อไปอีกถ้าหากวะลาอัลลอฮฺยุอัลเลายิุมบะรรห์มัตุฮฺถ้าหากอาลัลลอฮฺเนี่ยไม่เมตตาผู้ศรัทธาต่ออลัลลอฮฺให้เข้าใจาศาสนาให้มีอีมานนี่ย ไอ้อีมานศรัทธานี่แหละเน่ยเป็นช่วยเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้เราตามไส่ตอเ น, นี่ยอิทธิพลอัลลอฮ์จากอีมานจากราะห์มาจากความเมตตาจากความโปรดปานของอัลลอฮ์เนี่ยเราโปรดปานได้จากไหนแล้เราขออุอาออกจากมัสยิดอัลลอฮุมะอินีอสัสอาลูกะมิมฟาด ล, ลิกนั่นความโปรดปานอยู่นอกมัสยิดถ้าเราสแสวงหาความโปรดปานของอลัลลอฮ์มาเจนเงิอนอย่างเดียวนะแสวงหาความรู้ด้วยสแสวงหาอีมานด้วย อยู่ข้างนอกเนี่ยก็มันจะเป็นเครื่องป้องกันมงให้เราเนี่ยเดินตามไซตตอนออลลอฮฺองคบางบายิ่งใหญ่แล้วไอ้ความลืมเนี่ยมาจากไหนไซตตอนนบียูซุฟเป็นลูกของนบีใครนบีอะไรนะนบีชออีฟใช่หรืยักูบอ่นานบียักูบมีลูกกี่คน11คนพี่น้องทะเลาะ ก, กันอิฉานาบียูซุฟเห็นยังครับ มาจากไหนมาจากซตต้อนยูซุฟเล่าให้ประชาชนฟังมีคนมาถามบอกว่าครอบครัวคุณคุณเป็นยังไงเขาวอาขอบคุณอัลลอ์ที่อัลลอ์ให้ฉันเนี่ยออกมาจากคุกไอตอนติดคุกไม่ได้เล่าแลเล่ามาตอนออกหนึ่งอัลลอฮ์ให้ฉันออกออกจากคุกอันที่สองอลลอ์ o, ให้พ่อแม่ฉันมาเจ้าชนนบทเข้ามาในตัวเมืองมารับอาหาร สมพี่น้องของฉันเนี่ยทะเลาะกันเพราะใช่ตอนทั้งๆที่พี่นั่งกันอยู่เต็มหมดเลยนะเราก็รู้ด้วยวันที่จับนบียูซุฟโยนใสบ่บ่อเนี่ยรู้ได้ไม่รู้อายุแปก้าขวบแล้วอ่ะคนเนี่ยเป็นคนจับมือฉันนคนนี่ถีบใชนไหมไอ้คนนี่จับหัวกดใช่ไหมจําได้หมดแต่ทาไมไม่เล่าอ่ะนี่เป็นลักษณะของคนดีจะไม่คุยลำเลิกจะไม่คุยด่าคน อัลลอฮฺอักบารนี่จะกุญณาทั้งหมดเลยนะทำโดยรายยิ่งใหญ่มากอาทีนี้เมื่อมีไชตอนเข้ามาสร้างความสับสนขึ้นในใจทํำยังไงอัลลอฮฺสอนเลยสอนผ่านนาบีมุฮัมมัดให้อ่านสามกุญแเยอะๆอ่านดะยากุรซีอ่านอัลกุรอานจะทําให้ยินและไชตอนที่อยู่ในที่สร้างความสับสนที่วิ่งอยู่ในเส้นเลือด น, นี่นะ มันก็จะหนีออกจากตัวของเราและกับบ้านของเราด้วยเอาล้อให้ทางนำไปหมดเลยจะต้องขอบคุณัล้วเพราะอ่านกุ้งอ่านเดี๋ยวนี้ต้องนึกนะความอ่อนแอเนี่ยใช้ตอนชอบเด็กอายุคลอดออกมาได้เดือนสองเดือนเนี่ยมันจะร้องบ่อยๆนะครับอย่างอุลมะแนะนำนะถ้าร้องบ่อยๆให้สังเกตดู มียุงกัดไหมมีแ ม, มลงอะไรกัดไม้ปวดท้องไหมอะไรไม่ดูแล้วถ้าปลอดภัยทุกอย่างแล้วร้องทำไมต้องนึกยินหรือไม่ก็ะชาตอนมาสร้างความอะไรอิทธิพลมามาสร้างความเจ็บปวดให้แก่ร่างกายของเราจะนั้งพิธีปกป้องคือม่แม่ต้องเป็นมุสลิ ม, มา้วยน ะ, ะอัลลอฮ์ก็ถึงเรียนศาสนาเยอะนะยกมือขึ้นแล้วอ่านสามกุญป่าก่อลแล้วก็อ่านแล้วก็ลูปปฏิทโต ทำอย่างนี้สามครั้งอ่านดูอายากูซีแล้วใช้ตอนยินที่มาสร้างความมุ่นวายมารังแกลูกเรามันก็จะค่อยๆหนีออกไปด้วยความสามารถของอัลลอฮที่อัลลอฮวางกำหนดเอาไว้ขอบคุณอัลลอฮสาก็ตาล้วะครับอต่อมาครับคุณอัลยยะที่ห้าสบห้าครับ วันจะคุมมุสาวะตุย قاسم ุล مجرمون มาเล็บสุกัยรัสะรรูดูที่ขวานกัยรัสะใช่ไหมเรียกวัยรูรอนะกัยรัสะกาซาลิกาโนยุ ฟักุนวายุมะตะกุมุสะอาตุยุคอซิมุลมุจเรมุนมาดับิสุไกราะสะกะ ذلك كانوا ยุฟั l ุน ا ل ح a د ل a ه ا ل ل a أكبر ا ل ح م l لله อา a ะนี้ โครงการจะบอกว่าคนที่ไม่เอ า, าศาสนาคนที่ไม่เอาอัลลอฮ์ไม่ยึดอัลลอฮ์ไม่ยึดนบีมุฮัมมัดเป็นนบีคนสุดท้ายไม่ยึดอัลกุรอานไม่เชื่อวันกิยามะไม่เชื่อปาฏารยแล้วฟื้นเรียกว่าคนชั่วเรียกว่าอะไรนะคนชั่วคนชั่วเรียกว่ามุจิริมูนอะไรนี้ ยุคซีมูลมูเจริมูมูเริมบอกว่าคนชั่วคือคนที่ไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอาเราซูลไม่เอากุรานไม่เชื่อว่าตายแล้วฟื้นไม่เชื่อว่ามีการลงโทษไม่ไม่เชื่อว่ามีตอบแทนรางวัลในตะลกและสวรรดีไม่เชื่อหมดเลยเอาเฉพาะโลกดุยาโลกเดียวนะครับมาดูสัพ์ครับย้ําแปลว่าวันวันที่ตะกู้มแปลว่าเกิดขึ้นสับเดิมแปลว่ายืน วันที่อัซาแปลว่าวันอวสานซาเดิมแปลวันนาฬิกาแต่ตรงนี้แปลว่าวันสิ้นโลกวันวันซึ่งที่วันที่ยามอาวสานจะเกิดขึ้นนี้อัลลอฮ์เล่าให้นบีมูฮัมมัดฟังเล่าให้พวกเราที่อ่านกรุรานเข้าใจว่าจะจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนไหวันกิจามัดมีไหมมีครับ วันกิยามัิมีแน่นอนเนี่ยอัลลอ์เล่านะวันที่ยามอาวสานจะต้องเกิดขึ้นพอเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนี่เล่าชีวิตของคนกาเฟสนะยุกซีมูลมูจรีมูลคนชั่วอัลลอ์สรุปเลยนะคนชั่วก็คือคนกาเฟสคนมุชริกคนที่ตกมุรตัดคนมูนาฟิก และอีกกุมหนึ يع, ่งอะไรอาลุลกิตาบชาวคมพีน hm ่ะที่รู้ว่านบีมุม a m มาแล้วแต่ปฏิเสธนบีมุ h a m มัดคนที่ปฏิเสธอิสลามทั้งหมดนี่นะยุคเซบูแปลว่าจะสาบานจะสาบานนี่มาฝึตไปเกิดในวันเกียร์มาแล้วนะไต้ตับซึนอธิบายแว่าไอ้มาซาลูดูอธิบายแปว่าทาไมอ่ะ อยู่บนดุนยานีแล้วก็ตายไปแล้วฟื้นขึ้นมาใหมย่ยังชอบสาบานอยู่เลยเพราะว่าติดนิสัยอยู่บนดุนยาเนี่ยคนกาเฟ่อยู่บนดุนยาสาบานว่าไงฉันขอสาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมทั้งอัลลอฮ์ด้วยชอบสาบานครับแล้วก็สาบานว่าไงรู้ไหมคำว่าสาบานแสดงว่าพูดจริงๆนะไม่โกหกนะ พอไปยืน อ, อยู่ต่อหน้าอลัลลอฮ์เนี่ยก็หกไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็นะักเรียนพิเศอัานอธิบายยังไงรู้ไหมวันนั้นเนี่ยนะอเลเยอมานักติมวาลาอฟวาฮิฮิมวันนี้เราจะให้ประทับตับ ป, ปากของคุณไม่พูดแล้วก็ให้มือเป็นพยานให้เท้าเป็นพยานให้มือพูดได้ให้เท้าพูดได้เอาดิที่นานๆจะให้พูดสักทีนึงเนี่ยพูดยังไงรู้ไหม ขอสาบานไม่ได้บอกว่าสาบาลกับอะไรใช่ไหมขอสาบานว่างไง ร, รู้ไหมมาลาบิสูลาบิซาแปลว่าอาศัยอยู่มาแปลว่าไม่พวกเขาไม่ได้อาศัยอยู่นานกอยรอส่ไม่ถึงชั่วโมงคนกาเฟตไปยืนสาบาน ตอนหน้าอัลลอฮ์หรือประกาศให้ชาวบ้านรู้กันทุกคนนะครับที่เยืะ อ, อยู่ทุกมาชัดนะ่เป็นไม่รู้ว่ากี่แสนล้านกี่พันล้านเนี่ยบอกว่าฉันนี่นะมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาไม่นานธรรมดามันก็อยู่เป็นหนึ่งเป็นปีใช่มากเป็นเดือนใช่มากเป็นอาทิตย์ใช่มากเป็นวันใช่มากนี่ไม่ได้พูดเลยไอ้สีข้อนี่ไม่ได้พูดเลยนะ ขอสาบานคนชั่วสาบานว่าฉันนี่นะพวกเขาเนี่ยไม่ได้อยู่บนโลกดุนยาเนี่ยร้อยรอซ า, าไม่ถึงชั่วโมงนี่กุนาลเล่าให้เราฟังคนกาเฟตพูดแบบนี้ไปยืนอยู่ที่ทุ่งมาชาดไปพูดว่างานนะฉันขอสาบานฉันอยู่บนโลกดุนยาเนี่ยไม่ถึงปีไม่ถึงเดือนไม่ถึงอาทิตย์ไม่ถึงวันแค่ ชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงด้วยซาอ้างไปว่าชั่วโมงหรือว่ายามหนึง่งเวลาหนึง่งมาล้บิสุยรย์รออัลลอเห็นดังกันไปน้องอยู่เพียงไม่ถึงชั่วโมงก็คิดเป็นนาทีก็แล้วกันฉันอยู่บนโลกดุนยาใบนี้ไม่ไม่ถึงชั่วโมงก็ทระได้หานาทีสิบนาทียี่สบนาทีก็แค่นั้นเอง่ะแล้วไปพูดทำไมอ่ะตะวันเกียมาหน่ะ ก็พ่า อ, อยู่บนนุยาในปฏิเสธใช่ไหมนะปฏิเสธวันกิยามาไม่มีคนตายแล้วไม่ฟืน้นอลัลลอฮ์ไม่มีนบีไม่เกี่ยวคนอ่านเฮ้อลาหลังวันซื่อกะตายไปเยอะเหมือนกันที่ประเทศไหนนะิวนิวซีแลนด์เห็นยังครับอลัลลอฮ์มีที่ปัญหาที่เกิดว่ามีฮมาามมาเฮกมาตามมาเยอะเฮกมาจะตามมาเยอะเลยจะทําให้คนรับอิสลามเพิ่มขึ้น ไม่ไม่พูดเรื่องกันนั้นนะมันยาวตกลงว่าวยามาตะูมุซอาตุยุกซิมุลมุจริมูวันที่ยามอวสานจะเกิดขึ้นพวกมีผิดก็จะสาบานว่าพวกเขาไม่ได้พักอยู่บนโลกดุนยาถ้าจะรวมรวมรวมนะักโบโุบด้วยก็ได้นะพวกเขาไม่ได้อยู่บนโลกดุนยาตอนเป็น หลังจากตายแล้วพาไปฝังที่กุโบโด้วยกว็ได้เอาสองโลกมารวมกันเลยดุนยากะอาลามบัตซักอ่ามาลาบิสูร้อยรอซาพวกเขาไม่ได้อยู่บนโลกดุนยาและอยู่ในกโบโรวมกันแล้วนะไม่ถึงชั่วโมงร้อยรอซาซาไม่กว่าชั่วโมงอุลมะอธิบายต่อนะ โลกดุนยาในวัน24ชั่วโมงแต่โลกอาคือเราวันหนึ่งห้ามืนปีมาเทียบกันสิเทียบแล้วสามสนาทีเกอสองนาทีเอ ง, น, เองนี่โลกดุนยาไปนี่อัลลอฮอักบัตฉะนั้นนี่กูอ่านเตือนนะฉะนั้นอยู่บนโลกเนี้เรามีชีวิตแค่สั้นนิดเดียวนะวันนี้ยังไม่รู้ไปฟื้นขึ้นมาในวันกียางมาจะรู้ทันทีว่าดุนยาไปนี้ Little, ลิตรกอลีลุนยิด ก, กันแค่สามสีนาทีเองไม่ถึงชั่วโมงคิดดูสิเมื่อเรารู้อย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องประคองตัวใช่ไหมใช่เข้าหา ah, อัลลอเธอเรียนกุรอานเธออัลลอสั่งอะไรปฏิบัติตามอัลลอสั่งนบีบอกอะไรเชื่อนบีให้หมดนะพี่น้องเพราะอายุมันสั้นเหลือเกินร้อยรอซะไม่ถึงชั่วโมงอัลลอฮฺอักบอ่านอีเที่ยว วายมาตกูมุวันที่ยามเอาวสารจะเกิดขึ้นยุกซีมุลมเจริมูลพวกเขาพวกมีผิดเนี่ยจะสาบานว่าคำสาบานนี่สดว่าแน่นแล้วนะไม่พูดโกหกแล้วนะเรื่องจริงๆเลยนี่นะเล่าให้ฟังเนี่อลอสเล่ากับคนกาเฟสจะพูดแบบนี้ ยุกซีมุลมูเจริมูลคนมีผิดทั้งหลายก็จะสาบานว่ามาลาบิซูร้อยรสาพวกเขาไม่ได้อยู่เอาสองโลกเลยนะโลกดุนยาทลายแปดสิบปีเอาแข็งแรงนานกับร้อยห้าปีแล้วก็ตายผ่านฝังที่กุโบอีกรวมกันแล้วสองโลกนี้มาลาบิสูร้อยรสาคำนวณดูแล้ว ไม่ถึงวันหนึ่งปีไม่ใช่หนึ่งเดือนไม่ใช่หนึ่งอาทิตย์ไม่ใช่หนึ่งชั่วโมงก็ไม่ใช่นอ่ะน้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงเแค่ชั่วโมงเดียวหรือครึ่งชั่วโมงอยู่ย0สบนาทีส5บ้านาทีนี่ชีวิตสองโลกรวมกันนะเา็นไหครับอัลลอฮฺอัลบานซุบิลลจ้านี้พูดอย่างงี้นกูรอ่านสามครั้ง กูอานพวกไปสาครั้งนะเอาพวกอานให้ฟังเลยวายุมานะชูรุหมกาลลัมยัลบซอิลลาะอตัม <otros app let> nah ah um ินันนา์ยะตาอรอฟูนบไุมออายนึ่งในรานิสุรานี้เลยครับสามอายะอธิบายยังไงครับ วายาวมานาชูรุหุมวันที่อัลลอฮ์ทรงชุมนุมมนุษย์พวกเขาเหล่านั้นกะอัลลัมยัลบสุประหนึ่งพวกเขานั้นไม่ได้พำนักอยู่ในโลกดุนยาเว้นแต่เพียงชั่วคราวชั่วยามเท่านั้นเองชั่วประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นเองในเวลากลางวันด้วยนะมาใช่กลางคืน ยาตารอฟูนาใบนาฮุมที่พวกเขาเนี่ยทักทายกันคุยกันอยู่บนดุนยานี่นิดเดียวเท่านั้นเองอัลลอฮฺอักบารอีกอายาหนึ่งเราอธิบายต่อนะครับกาอันนาฮุมเยามายาเรานามายูอาดูน lamyal l a m y ล l basu illa saataminan nahar balagum balak fahal yuhliku illal kau mulfasikin ยูบอนดุญานี้รวมมาทั้งกูโบด้วยนี่นะสองโลกรวมกันไม่ถึงชั่วโมงฉะนั้นมุฮัมมัดเอ๋ยบัลากหน้าที่สอนศาสนาทํทำงานต่อไปมันไม่เชื่อเรื่องของมัน Allahu Akbar อืม alhamdulillah นออาทีนี้ในต้นสีต์บังเล็มอภ า, าษาภาษารุดูอธิบายบบว่าถ้าสาบานว่าฉันอยู่ในอยู่ในกูโบสาบานได้ไงอยู่ในกุโบเพราะมันติดนิสัยชอบสาบานกับคนตายนะโต๊ะนั่นแท่นนี่แม่นั่นแม่นี่ใช่ไล่ะนี่ติดนิสัยมาจากดุนยาทั้งหมด ชอบสาบานก็สิ่งที่ไม่มีชีวิตเนี่ยผู้อามุสลิมที่ไปหาตัวตะเกียบเนี่ยนะแบบเดียวกันนะทไมนเตาบ้าตัวก่อนตานี่อันตรายนะแท่า น, นยึดอลัลลอ์องเดียวให้มั่นนะครับแล้วนี่ อ, อัลลอฮ์เล่านะไม่รู้ว่าสาบานตัวอะไรยักษ์ิมูลยุกซสิมุลมูเจรีมูลคนชั่ว จ, จะสาบานสาบาน เพื่อจะประกาศให้รู้ว่าเสียดายจริงๆเลยชีวิตของฉันที่ผ่านมาอยู่บนโลกดุนยาเนี่ยคิดแล้วไม่ถึงชั่วโมงแล้วฉันอยู่ได้ยังไงล่ะเนี่ยทำไมไม่พัฒนาตัวเองทำไมไม่แก้ไขตัวเองนะครับอัลลอฮอัลลอฮเอาต่อมาครับอายะห์ที่ห6ห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 وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبستم في كتاب الله إلى يوم ا ل ب ع ِ فهذا يوم البعد ولكنكم كنتم لا تعلمون อัลฮัมดุลิลลอยู่บนดุนยารวมทั้งนอนอยู่ในกุโบโด้วยถึงชั่วโมงไหมไม่ถึงชั่วโมงนี่อัลลอฮ์ก็เล่าให้ดดบีฟังเมื่อเขาเล่าว่าฉันอยู่ไม่ไม่ถึงชั่วโมงราก็ทำไงดูอัลลีนะ และบรรดาผู้ที่ได้รับอูตุหลอิลมะอูตูไแปลว่าอัลลอฮประทานความรู้ให้เนี่ยสอนอะไรเราไปเนอะคนที่มีความรู้ทั้งหมดบนโลกโดุนยาปเปอย่าท่าหนงตัวว่าฉันหามาเองนะไม่ใช่นะอัลลอฮประทานให้เองขยันมากองเอาไปแค่นี้ ขยันน้อยอไปแค่นี้นอนมากเอาอย่างนี้ไปไม่เอาศาสนาเอาอย่างนี้ไปอรรถดูแลมนุษย์ทุกนาทีถ้าเองคิดถึงอรรถเยอะๆโรคสุมเศร้าเองไม่มีถ้าเองลืมอรรถบ่อยๆคิดเรื่องเงินเรื่องชื่อเสียงตำแหน่งเกียรติยศคะแนนที่จะได้บังทียี่สิบสี่นี้เองเอาอันนี้ไปฉะนั้น อกอลลลนาตูหลงอินความรู้ที่อัลลอประทานให้คนที่มีความรู้จะพูดว่ามีอัลลอฮล่าให้ฟังเลยนะถ้าที่คนมีความรู้เนี่ยตับซอธิบายว่าใครหรือเปล่าก็คืออันนาฮุลมาลาอิกะนทท่านบอว่าบรรดามาลาอิกะจะพูดพูดกับคนที่ยืนสาบาลว่าฉันอยู่บนดุญจั บวกทั้งนกกูโบ้ด้วยไม่ถึงชั่วโมงเนี่ยพอพูดอย่างนี้จบมาเลยกัสตอบเลยวกอลัลลาีนาอูตุลัยมและบรรดาผู้ที่ได้รับความรู้วันอีมานและผู้ที่มีศรัทธาสองกลุ่มนี้จะพูดพูดให้คนกาเฟต ฟ, ฟังที่ทุ่ง ม, มาชัดทีนี้คนที่อีมานอธิบายยังไง่ เขาอธิบายบอกว่าก็าคือคนที่อีมานต่อนบีมุฮัมมัดเรียกว่ามุหมิมนหรืออธิบายว่าชาวคัมภีร์ก็ได้ชาวคัมภีรก็ถึงพวกยะฮูดีกับนัสซอดีที่ยึดนบีมูซากอินซาจริงๆนะก่อนที่เขาจะถูกรายงนถูกสั่งขยานาคัมพีของเขาเนี่ยเขาจะคน ค, คน إيمان ฉะนั้นคนมีอีมานกับมาลาอิกะ สองกลุ่มนี้จะพูดพูดว่าไงรู้ไหมแล้วก็ดาล e l a b i ต t u m fikita b ล l a h l a b i s t แปลว่าพวกท่านได้อาศัยอยู่ฟก k i t a b ลล a ฟ f i แปลว่านกตาแปลว่านังสือหรือคำพีตมพีของอัลลอฮ์อยู่ในคำพีของอัลลอฮ์ เรื่องที่คุณเล่ามาทั้งหมดที่คุณบอกว่าขอสาบานชันชายชีวิตบนดุลยาอย่างเดียวก็ได้หรือบวกนายกูโบโด้วยสองโลกนี้อยู่ไม่ถึงชั่วโมงเรื่องที่คุณเล่านี้อยู่ในคำภีของอัลลอฮ์อยู่แล้วคือในคำภีกูนอ่านอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องไม่เรื่องอะไรเรื่องเก่า ตอนอยู่โบนโลกดุนยาเนี่ยเรื่องนี้น่ะมุสลิมเขารู้กันแล้วมุหมิ น, นเขารู้กันอยู่แล้วมาลายกาเน่ยรู้แล้วเพราะอัลลอฮ์เล่าให้มาลายกาฟังและเองทั้งหาที่ไม่รู้ไงนี่ไงเพราะไม่เรียนศาสนาเห็นจังขาดทุนมากนี่เนื่องจากไม่เอาศาสนาไม่เรียนศาสนาไม่ฟังสุนนะนบีไม่เอากุรอานเป็นแบบแบบแผนในการดำเนินชีวิตแล้วเป็นไงครับ เขาก็ตอบกลับมาเนี่ยไอเรื่องที่คุณผู้ฉันาขอสาบานว่าฉันชีอยู่บรรดุยญญานี่อายุแปดสิบปีนอนอยู่ในกูโบอีกไม่รู้ว่ากี่พันปีรวมสองโลกแล้วไม่ถึงชั่วโมงฉันเพิ่งรู้อะไรกุณอา่านบวกไว้ตั้งนานอยู่แล้วอยู่ในคำพีของอัลลอฮ์อัลลอฮ์หน้าแตกมากอือต่อมาครับทีนี้คำว่ากีตาบเนี่ย บางคนก็แปลบอกว่าอยู่ในความกําหนดของอัลลอฟีอลมิลลบางตับซิดนะตับซิดบอกวันนั้นนะอยู่ในคำภีของอัลลอท่านอีสาบอกว่าอยู่ในอัลลอด้อธิบายอยู่ในคำภีรุรานอัลลอฮหอยู่ในความรู้ของอัลลอเรเบลอนหมดแล้วานั้นที่ว่าชายชีวิตอยู่บนดุนยาหนรวมทั้ง ทำในกูโบเลวเนี่ยนะสองรายการนี้ไม่ถึงชั่วโมงนั้นนะ่ะในคัมภีร์อัลกรุรอานมีอยู่แล้วอธิบายไว้ก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่อยู่บนโลกดุนยาเอาต่อมาครับอินอะไรอนะิลายามิลบาสิจนกว่าจะถึงวันฟื้นคืนชีพไรตั้งแต่คุณอยู่บนดุนยานอนอยู่ในกูโบ พอฟื้นวันทึ่นคืนชีพรวมแล้วนะไม่ถึงชั่วโมงอยู่ในคัมภีอัลกุรอานอยู่แล้วเอาต่อมาครับฟาฮาดายามุลบาสีวันนี้เห็นยังวันนี้เป็นวันฟื้นคืนชีพจริงเลยไม่จริงฟื้นกันหมดแล้วเห็นยังเนี่ยนี่ไงเครื่องจริงปรากฏแล้ววันนี้วันฟื้นคืนชีพมาแล้ววันกิยามามาแล้วทุกคนฟื้นหมดเอาต่อมาครับ ว่ล้วกินนักกลุมแต่ว่าพวกท่านทั้งหลายพวกคุณเนี่ยกุลตุลลาตาเลมูนแต่พวกท่านเนี่ยไม่ยอมรับรู้นี่ต้องการจะเตือนว่าตอนมีชีวิตอยู่บนโลกดุนยาเนี่ยพวกคุณไม่ยอมรับรู้เรื่องอย่างนี้เลยใช่ไหมบอกให้เรียนเอง ก, ก็ไม่เรียนบอกมาฟังศาสนาบรมหมาย ก, ก็ก็ไม่ฟังเห็นไหมนี่ยอรรถต้อตงการที่จะตอกหน้าเหมือนกนันนะนะ ก็ปล่อยชีวิตได้ยังไงอย่างเงี้ยเพิ่งมารู้ตอนไหนประวันฟื้นคืนชีพมาจริงๆเพิ่งยอมรับว่าโอ้โหฉันเสด็จมาจริงๆเลยอยู่บนดุนยาบนในกูโบตรงกระทั่งฟื้นคืนชีพเนี่ยรวมแล้วไม่ถึงชั่วโมงอ ล, ลาวไปเรื่นี้ไงพออ่านกูอ่านลาอิมามเพิ่มไหมเพิ่มครับอ่ะทีนี้อยู่บนดุนยานี่ทําอะไรอ่ะอยู่บนดุนยาทําอะไร ตัวแทนบนดุลยามีสอย่างหนึ่งเงินสองตำแหน่งสามเกียรติยศชื่อเสียงมนที่ยี่สี่จะมาเนี่ยนี่นะนี่ตัวแทนดุลยามหมดเลยอ่ะคนที่หลงดุลยาทั้งหมดนี่นะปวดหัวหมดเลยนี่เครียดแต่คนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเขาสบายสบเห็นนหมถ่ายมดลุกขึ้นมาทหายุ่เหมือนเดิมอ่านุณอ่านเหมือนเดิมาา ม, ด ม, มาเมาสเยตเหมือนเดิมถูกฆ่าไปแล้วสี่สิบกว่าคนที่ไว้อะไรนะที่ที่ นะที่คลายเชิชขอดุอาต่อแล้วต้องนึกนะสวบาบาบีถูกฆ่านาบีส่งสวาบาไปที่ท่องจำกุรอ่านนะถูกพวกกาเฟตมันฆ่านะ่ะหลายคนนะณบีขอดุอากคุณอุดทั้งห้าเวลาเนี่ยลงโทษที่คนเรานะั้นะต่อมาเรวก็พอแล้วทันการ ไอเรื่องมุสลิมถูกฆ่านี่ยมาแชพเกิดมันเกิดมานานแล้วปาลิสตินตายเนตัวไรอ่ะโอ้ถ้าจะคุยเรื่องการเมืองเนีลอกบต์นี่มันแพงอันรอดทั้งหมดะเอาฮัมดลิลาเนน้องคำว่ า, าละบิสตุมอีลายาวมิลบาสีเนี่ยโดยแน่นอนยิ่งนะพวกท่านเนี่ยได้อยู่จนถึงวันวันวั น, ว น, ว น, วนฟื้นคืนชีพเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างอ่าตอฟซิดอธิบายนะ พวกคุณเนี่ยไม่ได้อยู่บนโลกจนกระทั่งถึงวันฟื้นคืนชีพเนี่ยอยู่ที่โลกไหนบ้างเขาขัดแย้งกันนะอุลมามะท่านหนึ่งบอกว่าอยู่ในกูโบอย่างเดียวาบางคนพูดบอกว่าอยู่ทั้งดุนยาด้วยตอนมีชีวิตและอยู่ในกูโบตอนตายด้วยก็มีการขัดแย้งกันนะครับในเตซีอินอกซนมันน่ามันน่าจะมีแล้วมึ่งนะครับอ่ า, ายฟฮาดยาอมุลบาส นี่คือวันแห่งการฟื้นคืนชีพอัลลอฮีกุนอัลลอฮดีกะซาบตุมบิฮีฟิดดุญยานี่ไงเป็นวันแห่งการฟื้นคืนชีพที่พวกคุณเคยปฏิเสธมาก่อนว่ามันไม่มีนี่นี่มาแล้วคุณเอาไงเอาสิละทิบนซาลิวะลากินนกุมลาตาลมูนแต่พวกท่านเนี่ยไม่ยอมรับรู้ไม่ยอมเรียนคือ หนังสือทุกเล่มมันสามารถเรียนเรียนเรียนได้หมดแล้วยกเว้นคุณอานฉันไม่เรียนคพร น, นมุสลิมด้วยนะ่ะส่งลูกเรียนปิญญาตรีอ่นหสิอกี่เล่มปิญญาโทกี่เล่มดอกเตอร์อีกกี่เล่มแล้วคุณอานเล่มเดียวต่างคนตนัวทีนี้พอพูดถึงเรื่องกูโบเรื่องกูโบสเนี่ย คนกาเฟสนอนอยู่ในกูโบนี่นะได้รับการลงโทษสิบรายการที่น้องจำไปเลยนะสอนลูกสอนหลานนะลูกเ อ, อนอนอยู่ในกูโบน่ะไม่จะเห็นแค่อะไรนะไม้สองอันกับดินนูน น, นูไม่ใช่แค่นะั้นในกูโบมีอาซาบสิบรายการพล่าให้ฟังนะข้อที่หนึ่งคนกาเฟสคนมุชริม ค, คนมุตตัด อ, อัลลอ อามาันมาอยู่ห้ากลุ่มด้วยกันข้อที่หนึ่งพวกเขามีความกลัวพอถูกฝังปับความกลัวมาเลยกลัวนะอยู่บนดุญญยาเนี่ยกลัวยังมีคนปรอบใจใช่ไหมมีปรอบใจลูกปรอบใจญาติผีน้องปรอบใจอย่า ก, กลัวอย่า ก, กลัวเออกาลังใจแล้ว น, นอนคนเดียวอะ่วะเวลากลัวทำงานีปน้องเนี่ยน บ, บีลเล่าให้ฟังนะเอ็กลัวตลอดข้อที่สองพอนอนอยู่ในกูโบรู้เลยว่า ไม่ได้ไปสวรรค์นอนอยู่ในกุโบเนะรู้เลยว่าตัวเองไม่ได้ไปสวรรค์ข้อที่สามครับพี่น้องความร้อนจากนรกนะมาหาเขาเนี่ยพัดเข้ามาทุกวันทุกวันร้อนนรกวักวัดความร้อ น, อ น, อ น, อ น, อนข้อที่สี่พี่น้องที่นอนเนี่ยธรรมดาเราก็สั่ง made in Japan บาง made in f รั่งเศแต่บาง made บน made นี่น่มั้ยนี่ made from fire ท <laughs> ามาจากโรงงานไฟอ่ะเอาเอาไป <laughs> แล้วก็ผ้าหม่มชุดน้นเนี่ยมาจากโรงงานนรกเอาเอาไปนี่กี่ข้อแล้วเนี่ยถลายไปแล้วละ่ะ <laughs> ข้อที่หนึ่งกลัวข้อที่สองรู้แล้วว่าตัวเองมไม่จะไปสวรรค์ข้อที่สามอะไรนะ ร้อนจัดความร้อนมันมาเนี่ยเอาหลแค่เดินตากแดดในทางแย่เลยนะเดินมาสู่เทาเนี่ยคนต้องกางร่มใช่ไหมล่ะเดินไม่แต่เดินนอนอยู่ในกูโบนเอาร้อนมันมาตลอดที่ยี่บสี่ชั่วโมงเลยแล้วก็ข้อที่สี่ก็คือที่นอนมาจากนารกชุดอาพรณ์มาจากนรกข้อที่หกคือน้องพูดอย่างนี้ รูบมายวัดดุลลาดนักฟารุลอาอุกานมุสลิมอจะพูดวันไม่รู้ว่ากี่สิบครั้งถ้าฉันได้เป็นมุสลิมก็จะดีนะตายิแล้อีกประโยคนึงอัลล์จ้าอยากให้มีวันเกียรติญิงสภาพนอนแล้วกโบนี่แหละอยากให้มีวันกียร ต, ยออยยยติเพราะว่า ตอนนอนอยู่ในกุโบในเห็นภาพนรกเ่าอ้าเล่าภาพนรกให้ฟังนิดหนึ่งใช่ไหมเอาแค่ร่างกายอย่างเดียวนะหนึ่งผิวหนังเดินกี่วันสามวันกรุงเทพเชียงใหม่แล้วก็ไหลนี้กับไหลนี้เนี่ยความยาวของมันเนี่นยใช้ของวิ่งวิ่งเอาไว้ไว้นี่นะจะใช้สายกระาษ็วิ่งสายพลอยก็ได้ไดเดินวิ่งสามวั น, ม, นมันหนาหนากว่าหนังอีกอะ เอา้าติ่งหูนี้กั บ, กบหัวไหล่เนี่ยเจ็สิบปีนี่น บ, บีอธิบายให้ฟังแล้วก็ที่นั่งของชาวนรกน่ะเป็นยังไงอ่ะตั้งแต่มักากับมาดินานะ่ะสี่รอสิบกิโลน่ะเห็นไหมประนอนเห็นหมดเลยนะเอะอล้วท่าจะตื่นมาทำอะไรแล้วเนี่ยอัอเราจะอย่ามีวันเกียมมาเลยอย่ามีวันวันวันฟุน้นคืนชีพเลยนอนอยู่ในกูโบนี่แหละนา น, น, น แค่ร้อนบนที่นอนกับร้อนใส่เสื้อยังไม่ท่มารย์เพราะไปเจอนั่นมันหนักกว่าอีกอ่ะข้อที่เจ็ดมีมแมลงป่องกับอะไรมะกับงูในกูโบอ่ะตอนนึกภาพกูโบอใหญ่ขนาดไหนละ่ะแล้วแมลงป่องไม่ใช่ตัวเดียวนะอ่ะมีสักร้อยตัวแ ล, ล้วรอแล้วอันนีที่อธิบายอีแมลงป่องตัวเท่าหนังนูนหัวช้างอ่ะไว้อะไรที่น้อง นี่พออ่านกุนนอ่านอ่านฮะดิษนึกไปนึกมาอัลลอฮฺอัลเบตเซกับตัวไปหาอาลัลลอฮฺที่กวา่อาอัลลอไม่เอาแล้วความบาปบาอาชีชั่วชวเนี่ยเอาต่อมาข้อที่เก้าพี่น้องครับข้อที่เก้ามีงูนะข้อที่สิบพี่น้องครับมีมล า, ายกาิก้าต้องนึกภาพเลยนะตีด้วยคอ้อนเนี่ยไม่รู้ว่ากี่กี่ตันอ่ะไม่มาช็กิโลหลังจากสอบสวนเสร็จว่าเองกราบใครอยู่บนดุนยา รู้จักกอลล์ปล่านักคนกาเฟสไม่ไม่โกหกนะคณะยืนเนี่ยอาริโร่บอกฉันขอสาบานนะฉันนี่พูดจริงนะถามว่าเอ็มกราบใครบอกลาอเดรีไอเดนโนฉันไม่รู้รู้จักนาเบียโมบัดไหมไม่รู้คุณอ่านอ่านปล่าไม่รู้ไม่เคยอ่านนะเพราะไม่อ่านเลยมามื่อไรก็เอาคอนไม่รู้กี่กี่ตันนะนะฟาดไประหว่างสองใบหู ถ้าฝ้าดข้างหน้าเนี่ยเหลือไหมล่ะถ้าฝ้าดข้างหลังเนี่ยพี่น้องนี่ภาพที่สิบเห็นอย่างนี้มาตลอดทุกวันไม่มีวันหยุดลูกจะขอดุอาให้มีมัหยล่ ะ, ะลูกก็ไม่มีเมียขอให้ได้ไหมเมียก็ไม่มีอยู่ก็ไม่ได้แต่งงานอสองศาสนาอีกอ่ะฉะนั้นนึกไปนึกมาอัลลอฮฺ ในทัพซตออิปโนกเซตอธิบายบอกว่าฟิทดุนยานอนนอนบุขึ้นในทุ่งมาชาัชเสร็จแล้วนะมองไปที่โลกที่ว่าฉันอยู่แค่ไม่ถึงชั่วโมงนะอยู่บนดุนยามาอาลิมบอกว่าอยู่ในกุบดแล้วก็บางคนพูดว่าอยู่ในกุบดด้วยแล้วก็อยู่บนโลกดุนยาโดยสองโลกได้รวมกันไม่ถึงชั่วโมง อาทีนี้คนกาเฟ่เปนอนทั้งหลายที่ผู้พู ด, พดมันจะ ก, กี้เนี่ยนะอย่าให้มีวันกี่มาเลยพุณอา่นอานตรงไหนกูมมิมัตกดีนาฮาาในสุรยาซินใครนี่ปลุกให้ฉันฟื้นขึ้นมาจากหลุมกุโบฉันนอนอยู่ในกุโบถูกลงโทษมันไม่หนักเท่ากับเห็นภาพในทุ่งมาชัดอีกอัลลอาลอฺนะอละันะอลลจะบิลลาอิมซาลาี พี่น้องนีเน่เรื่องจริงทั้งหมดนี่ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องอะไรไม่ใช่เรื่องพูดโกหกจริงทั้งหมดเลยของที่มาจากอเล็กเขาเรียกว่าความรู้ที่ผ่านวุฮันบีมุฮัมมัดสอนความรู้ที่ผ่านวุฮัเป็นเรื่องจริงทั้งหมดไม่ใช่เรื่องโกหกเลยพี่น้องฉะนั้นขอให้เรานี่นะก่อนก่อนจะนอนซึ่งไซนาลีนะสอนเอาไวด้ดีสอนบ่าววัลูกเอ้ย อ, อ, อ่านอ่านอะนะอ่านอ่านุณอ่านเยอะๆฟังกุณอ่านเยอะๆทำให้หัวใจมีชีวิตชีวาสองทำให้หัวใจมีรมัศมีสามให้หัวใจของลูกเนี่ยเข้มแข็งฉะนั้นสรุปชีวิตดุนยามีแค่สาวันนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะมีวันไหนบ้างมีเมื่อวานนี้วันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ถ้าคิดอย่างนี้ทุกวันทุกวันนะ มันปกคองตัวได้ไนะอา้าวของที่ผ่านมาเมื่อวานน่ยทําอะไรผิดทาําไงตาบ้าตั ว, วถ้าทําถูกทำเรืลอยๆขอบคุณโชคดีต่อ Allah ขอบคุณเลาสุขสุขอยู่ต่อ Allah ถ้าทําผิดทาําไงตาบ้าตั ว, วแล้ววันนี้ทําอะไรก็ทําตามสุนนะนบีให้มากที่สุดนะ่ะเอานาบีนามาที่ไหนเอาแค่นมาท์ก่อนนะนบีทาําอะไรบ้างอยู่อยูอยู่กับภรรยานาบีเคยด่าภรรยามั้ยไม่เคย เคยด่าลูกไหมไม่เคยเคยด่าสวาวบ้านไหมไม่เคยเราก็ต้องอยู่กันอย่างนี้แหละดูแลลูกดูแลภรรยาดูแลญาติพี่น้องเราเอา่านนบีสอนศาสนาสอนศาสนากันเอาสุนารีมาใชา้แล้วก็พรุ่งนี้เองจะหยุดจะถึงหรือเป่ายังไม่รู้ได้ใช่ไหมก็ต้องกล่าวว่าอินชาอัลลอฮ์ก่อนใช่ไหมละ่ะต้องขอทุกฮาต่ออัลลอฮ์ฉะนั้นเรากับอัลลอฮ์ต้องผูกพันกันตลอดเวลาให้หัวใจนโยมกับอัลลอฮ์เพราะเรามีแค่สามวันนะ เมื่อวานนี้วันนี้พรุ่งนี้จบแค่นั้นเองอัลลอฮฺอักลัฮวบลลิลลาฮิลฮัมเป็นตังกับผมขอฝากอีกเรื่องนี้นะชีวิตในในในในกูบัวมีเท่าไหร่นะสิบนะคนตายพูดได้ไหมนี่ไงอัลลอฮฺเล่าเลยยาลูบามายาวัดุลลาดีนะกะฟารูลาวกานูมุสลิมีน คนตายอยู่ในกูโบบนทุกวันบ่นว่าไงถ้าฉันได้เป็นมุสลิมรับอิสลามก่อนตายก็จะดีมากๆเลยไม่ต้องถูกทรมานอย่างนี้คนมุสลิมนอนอยู่ในกูโ บ, บว่าไงหรือเปล่าพูดได้ด้วยนะอลัลลอฮจะวันเทียมากไวๆอ้าวขอขอขอย่าคนละอย่างอาลัลลอฮฺรับใครคนมุสลิมว่าไงนะรอ บ, บิกรอเ บ, บ อลัลลอจ๋าเก็ยมามาไวๆเถอะมาเดี๋ยวนี้แหละเพราะคนมุมินเขาเห็นน่ะที่อยู่ในสวรรค์ของเขาเอาลัลลอมาว่าบทานนั่นผมก็คุยนะอยู่บนดุนยานี่นะทานอาหารเนี่ยเวลาเราสั่งของจะคายให้ซื้อมาน่นึกถึงอาคิรอดได้นะ่ะก็เป็นงี้ทานตังโมแตงโมมีเม็ดปลาแต่เม็ดเยอะมากเลยมางทีก็นั่งแกะแกะแกะผมก็บอกว่า ในสวนสวรรค์แตงโมไม่มีเม็ดกินไปเลยใช่ไหม น, น่กินอาหารสามารถนึกถึงอะคิร์ร้อดได้ไหมได้เรื่องที่สองคุณ อ, าอ่านอธิบายอย่างนี้วัลกุมมาตัสตาฮีอยู่บนอยู่ในสวนสวรรค์นนะท่านนึกตัสตาฮีนึกนึกอะไรได้ได้ไดอ้ น, นั่น แล้วก็วัลลกุมฟีฮามาตาดาวและท่านจะได้รับสิ่งที่ท่านเรียกหาที่ของอยู่บนญญนุยานี่นึกได้ไหมอ่ะวเวลานึกปั๊บก็ น, นึกแต่เขาให้หรือเปล่าใครให้อ่ะนึกอยู่ในใจไม่มีใครรู้ด้วยแต่ในสวนสวรรค์นี่แค่นึกเนี่ยเราส่งมาให้แล้วอยู่บนญญนุยานี่นึกรวมตายอ่ะใครช่วยอ่ะก็นึกอยู่ในใจเองคนเดียวนะ่ะ แต่ในสวนสวรรค์ไม่ใช่แค่นึกเอาล้อให้เลยว่าล้วคุมมาตัดดาวและสิ่งที่ท่านเรียกและขอพอฉันต้องการน้ำพึง่งมาทันทีปุ๊บไอ้นี่ขอหน้ำพึ่งหน่อยจะก่อนที่ลืมท่านชีวิตดุนยากับอาคีรอยเป็นต้องท่านสังเกตให้ดีนะจะมีข้อเตือนใจตลอดถ้าท่านใจเย็นๆอยู่บนดุนยาเนี่ยขอแล้วบางทีไม่ได้สั่งภรรยาไปซื้อตลาดลืม บางคนก็เครียดตำหนิขอคนฉันสั่งลืมของของเธอแล้วไม่ลืมเอาแล้วตามมาเยอะฉะนั้นฉะนั้นให้คิดถึงชีวิตในโลกอาคีรอเยอะๆจะทำให้หัวใจเรานะั้นนะนุ่มนวลแล้วก็ไม่ทะเลาะขับคนอย่างนี้เป็นต้นนะครับความรู้บือนกนที่เราได้มาเนี่ยอยาา่างภาษาอรบพูดในสวรรค์ต้องเรียนป่า ะจะเรียนภาษาฝรั่งเศสเนี่ยต้องเรียนกี่ปีล่ะจะเรียนภาษาอาหรับต้องท่องนหูเท่าไรแต่เข้าสวรรค์ต้องเรียนภาษาอาหรับไหมอนนี้อลัลลอ์ให้อะนี่ตรงความเมตตาของอลัลลอ์ต้องนึกถึงโลกอาคริรอะเยอะๆจะทำให้ชีวิตเราบนโลกดุรยานี่จะไม่หลงสี่รายการนะเงินชื่อเสียงเกียรติยศตำแหน่งสุภานักอัลลอฮุมะวะบิฮัมดีกะวละอิลิะันตะอัตักุลกาวะอัตบิ บัสซาล الله وعلى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين